น, นก็คือปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเพราะมีสมุทัยก็เลยเกิ ด, ท, ท, กกดทุกข์เพราะไม่รู้ทุกข์ก็เลยเกิดสมุทัยพอมีสมุทัยก็เกิดทุกข์อีกพอไม่รู้ทุกข์ก็เกิดสมุทัยอีกสัสรารวัตรก็เรียนอยู่เท่านี้แหละนี่คนทั้งหลายก็จะมองไม่เข้าใจอริยสัจ เห็นว่าเพราะมีสมุทัยจึงเกิดทุกข์เนี่ยบางคนมองได้อย่างพวกนิครนเนี่ยเรู้พระตัณหาเนี่ะทําให้เกิดทุกข์พูดเหมือนพระพุทธเจ้าเปรียบเลยนะควาจริงพระพุทธเจ้าจะพูดเหมือนเขาก็ได้เพราะนิครนเเขาเกิดก่อนพระพุทธเจ้านะนี่คนนาฏบุตรสามสิบกว่าปีแคนร่วมสมัยกันทันทันเห็นกันก็เห็นว่าตัณหาในตัวสมุทัยทําให้เกิดทุกข์ นี่พอเห็นตรงนี้เนี่ยปัญญามันไม่แจ้งต่อไปแล้วได้แค่นี้งันอยากพ้นทุกข์ก็ต้องละตัณหาก็าเริ่มเกิดกระบวนการละตัณหาขึ้นมาเหมือนนักปฏิบัติทั้งหลายมีกระบวนการต่อสู้กับกิเ ล, ค ล, ค ล, ลสคล้ายคลลูกศิษย์นิครุนเนาะเห็นกิเลสเห็นตัณหาแล้วต้องหาทางสู้กับมันนะเช่นทรมานกายทรมานใจ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 เป็นธาตุเป็นของจริงที่มีอยู่กับโลกเป็นสมบัติของโลกพอ ร, รู้ความจริงมันคืนสมบัติของโลกนี้ให้โลกเขาไปคืนกายคืนใจให้โลกเขาให้ธรรมชาติไปไม่มีที่ตั้งของความทุกข์ขึ้นมาเลยธรรมะของท่านน่าลึกมากเลยอัศจรรย์จริงๆเราเรียนเราฟังเราก็นึกว่าเข้าใจความจริงความเข้าใจของเราผิวเผินอย่างท่านสอนว่ารูปนามขันห้าเป็นทุกข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 ความเมอความใจลอยคือสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดนะถ้าพูดหยาบๆนะขอโทษนะมันคือโคตพ่อโคตแม่ของกิเลสอื่นๆนั่นแหละพอหลงไปนั่นแหละราคะถึงเกิดเพรอหลงไปนั่นแหละโทสะถึงเกิดพอหลงลงไปนั่นแหละความทุกข์ถึงเกิด <c oughs> งั้นหากรู้จักจิตที่หลงถ้ารู้จักสภาวะที่หลงได้โอ้ปฏิบัติได้แทบทั้งวันเลย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 เรารู้เรื่องเพราะคิดคิดเอาเองถ้าฟังแล้วไม่คิดจะไม่รู้เรื่องถ้าฟังแล้วคิดจะรู้เรื่องแต่อาจจะรู้ถูกหรือรู้ผิดไม่แน่นะรู้เรื่องรับรองว่ารู้ผิดแน่นอนหลวงปู่มั่นท่านถึงกล้าพูดบอกธรรมะไปอยู่ในจิตปุถุชนจ่เป็นสัตธรรมปฏิรูปของปลอมปลอมแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ทุกเราก็อยากละทุกข์พระพเจ้าบอกให้ละสมุทัย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 ทุกล้วนๆไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษนะั้ันจะสลัดทิ้งเลยนะมีคํานึงในภาษาบาลีปฏิทิ ส, สิศค้าการสลัดคืนมันสลัดจริงๆนะไม่ใช่พูดส่งเด่นไม่ใช่ว่าท่านบรรจาสับส่งเด่นมันสลัดจริงๆเพราะมันรู้ว่าตัวทุกขนะ์มันโยนทิ้งนะไม่ใช่ว่าค่อยๆกระมิดกระเมี้ยนวางไม่ใช่นะสลัดในฉับพลันในขณะจิตเดียวนะนะั่นแหละวันนี้เทศจบแล้วเนาะเห็นไหมเทศอริยสัจ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 งั้นเมื่อไหร่รู้ทุกแจ่มแจ้งสมูทไทก็ถูกละทันทีที่สมูทไทถูกละ น, นิโรธหรือนิพานก็แจ้งขึ้นมาเลยนะการที่รู้ทุกจนละสมูทไทแจ้งนิโรธเรียกว่าอริยมรรคเรียกว่ามรรคเนี่ยคืออริย ส, สัจสีนะ่อริยสัจสีที่พวกเราเคยเรียนเคยฟังเป็นอริย ส, สัจสีตื้นตื้นเขินเขินเนะช่นเราเรียนบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นี้อันนี้ท่านต้องสอนแบบปัญญัติก่อน เพราคนอยู่ๆไปรู้ปรมามัตดว่ารูปนามเป็นทุกข์รู้ไม่ไหวก็บอกเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะรักครากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกขนะ์ปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกขนะ์ความเจ็บไข้ได้ป่วยความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์นะพอเราได้ยินคำสอนอย่างนี้เราก็จะคิดว่าคนเจ็บคนป่วยนะคนแก่คนเจ็บคนตายเป็นทุกข์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 ใจมันอยู่ต่างหากนะใจเป็นคนดูนั้นจะดูกายมีใจเป็นคนดูแยกรูปแยกนาำอย่าดูท้องพองยุบเห็นแต่ท้องไม่ไดนะ้อย่ายกเท้าย่างเท้าเห็นแต่เท้าไม่ได้หนะลงอย่ารู้ลมหายใจรู้แต่ลมอย่างเดียวใช้ไม่ได้นะใจต้องตั้งมัน่นใจต้องตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะนั้นการรู้กายก่อนจะรู้กายต้องทาสมถะนะ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 แต่ถ้าไม่เข้าใจหลักที่หลวงพ่อบอกนี้นะทํากรรมฐานอะไรก็ผิดเหมือนกันหละอย่างบางคนรู้ลมหายใจถ้ารู้ผิดนะนก็หลงไปเพ่งจ้องลมหายใจได้แต่สมถะรู้ท้องผองยุบถ้ารู้ไม่ถูกต้องนะก็ไปเพ่งท้องได้แต่สมถะยกเทา้าย่างเทา้าถ้าไปเพ่งเท้าก็ได้แต่สมถะเหมือนกันนะกรรมฐานอะไรก็เหมือนกัน